ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการปรากฏขึ้นของพระพุทธศาสนาในแต่นะในแต่ยุคในแต่ะสมัยนั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสามองค์ประกอบด้วยกันคือหนึ่งต้องมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งมีพระพุทธเจ้าสองมีพระธรรมคำส่งคำสอน สามมีพระอริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าถึงจะมีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่บนโลกนี้ได้พระพุทธศาสนาของเรานี้เริ่มต้นจากการตัดสั้ของพระของพระพุทธเจ้าเมื่อประมาณสองพันร้อย สิบสามปีด้วยกันในวันเพ็ญเดือนหกมีการตัดสัุของพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากการที่ได้มีการประสูตรก่อนหน้านี้ของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชกุมารผู้เป่งแปลงด้วยบา ร, รมีตอนที่ได้เกิดมานั้น พระราชบิพาก็ทรงอยากจะรู้ถึงอนาคตของพระราชกิุมา์ว่าเวลาเติบโตขึ้นมาแล้วจะเป็นอะไรก็เชิญพวกหมอดูโหราจารย์มาดูดวงชะตาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็จะ มีบอกว่าเป็นไปได้สองทางด้วยกันถ้าอยู่ครองราชก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมราศาสดาของโลกมีโหราจารย์เพียงอยู่รูปเดียวที่เห็นต่างคือเห็นว่าจะต้องออกบวช และจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปเมื่อพระราชบิดาได้ทราบถึงอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าเป็นไปได้สองทางก็เลยพยายามที่จะสนับสนุนให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่คลองราชให้ได้ด้วยการ ห้อมร้อมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความทุกข์เลยถึงกับห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปปรากฏอยู่ในวัง แล้วก็ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกไปเที่ยวนอกวังเพราะไม่ต้องการที่จะให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ได้แล้วก็อาจจะคิดออกบวชก็ได้ทรงสร้างปราสาทสามฤ ด, ดูให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีบริษัทบริวาร คอยรับใช้ให้ความสุขในทุกรูปแบบแต่ความสนใจหรือความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชายสิทธัตถนั้นทำให้อยากจะรู้ว่านอกกำแพงวังนี้มีอะไรบ้างวันหนึ่งก็เลยเล็ดลอดออกไปกับมหาเล็กคนหนึ่งเพื่อไปดูชีวิต ภายนอกวังว่าเป็นอย่างไรก็ไปเดินไปสักระยะหนึ่งก็เห็นคนแก่หลังคอมเดินถือไม้เท้าผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยสงสัยถามมหาเล็กที่ติดตามไปว่าชายคนนี้เขาเป็นใครเป็นอะไร ทำไมเขาถึงต้องเดินอย่างนี้ก็ได้รับคำตอบว่าเขามีอายุมากแล้วเขาเป็นคนชราเมื่อร่างกายมีความชราความกําลังวังชาของร่างกายก็จะถดถอยไปก็เลยต้องอาศัยไม้เท้าไวค้ค้ำค้ายันเวลาเดินร่างกายของคนทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นกัน แม้แต่ร่างกายของพระ อ, องค์เองของเจ้าชายสิทธัตถะเอง mm. ก็ต้องเป็นคนแก่ในวันหนึ่งพอได้ทราบว่าต่อไปตัวเองก็จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนหลังค่อมเป็นคนที่ไม่มีกําลังวางชา mm. ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm. ต่อไปพอเดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ก็มาเห็นคนนอนคนคางอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยถามว่าทําไมคนนี้เขาต้องต้องมาล่องนอนล้องไห้คนคางชายคนนี้ก็บอกมหาเล็กก็ตอบว่าเขาเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีความทุกข์ทรมารย์ในร่างกายเป็นอย่างมากจึงทําให้เขานี้ต้องนอนร้องควนคางอยู่ ร่างกายของคนทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแม้แต่ร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะเองก็ต้องเป็นอย่างนี้เช่นกันพอได้ทรงทราบว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งทำให้เกิดมีความรู้สึกทุกข์มากขึ้นไปต่อมาก็ทรงเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็เห็นขบวนแห่ศพผ่านมา ก็ถามว่าเขาแห่อะไรไปเขากําลังแบกอะไรไปม า, าเลยก็ตอบว่าแบกคนตายไปทําชาปนากิจไปทําการเผาเพื่อกําจัดร่างกายเพราะถ้าให้กําจัดปล่อยทิ้งไว้ก็จะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นได้ร่างกายของคนทุกคนในที่สุดก็ต้องมาถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคน แม้แต่ร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันพอได้ยินได้ฟังว่าต่อไปร่างกายของตอนก็จะต้องถึงแก่ความตายก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจความสุขที่เคยได้รับจากการเสพสัมผัสกับพระราชสมบัตทรัพย์สินต่างๆหายไปหมดใจนี่เริ่ม เต็นไปด้วยความทุกข์ใจจนไม่มีความรู้สึกอยากจะเดินเที่ยวอีกต่อไปก็เลยเดินกลับเข้าวังในขณะกลับเข้าวังก็เห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเป็นนักบวชต่งกายเป็นนักบวชก็ถามว่าชายคนนี้เขาถึงทําไมแต่งตัวแบบนี้ก็ได้รับคําตอบว่าเขาเป็นนักบวช เขาเป็นผู้ที่แสวงหาวิธีการดับความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายนี่เองเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามีหนทางหรือมีผู้ที่กำลังแสวงหาทางดับความทุกข์อยู่ mm. ก็เลยมีความรู้สึกดีใจขึ้นมาและมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชต่อมาเมื่ออายุได้ประมาณยี่สิบเก้าปีด้วยกันก็เป็นเวลาที่พระเมหิสีของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้คลอดลูกออกมาหนึ่งคนยายามดึกก็มาหาเล็กก็นำข่าวมากลับทูลให้ทราบว่าตอนนี้พระเมหิสี ได้คาดพระโอรสออกมาแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงอุทานว่าลาหุนแปลว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะรัดใจเจ้าชายสิทธัตถะนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ม, มหาเล็กไม่เข้าใจความหมายคิดว่าทรงตั้งชื่อของพระราชาออโอรสว่าลาหุนก็นำนาเรื่องไปกราบทูล ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตั้งชื่อลูกให้ชื่อว่าราหุนแต่ความจริงเจ้าชายสิทธัตถะทรงผูนึกขึ้นมาว่ามีบ่วงมารัดคอรัใจของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วถ้าจะอยู่ในวังต่อไปก็จะไม่สามารถออกบวชได้ถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ก็เลยตัดสินพระไทยหนีออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นเลยโดยไม่ไปบอกใครไม่ไปราใครมไม่ไปมองหน้าลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะทำให้เปลี่ยนใจได้ก็เลยหนีออกจากพระราชวางังสละราชสมบัติเพื่อไปบวช ในคืนนั้นเลยโดยมีมหาเล็กนำม้าไปส่งที่ชายแดนหลังจากถึงที่ชายแดนแล้วก็ลงจากมา้าให้มหาเล็กเอาม้ากลับเข้าวังไปพระองค์ก็ทรงดำเนินด้วยเท้าเพื่อไปหาที่เพื่อไปบวชเพื่อไปหาศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆต่อไป ได้ส่งปฏิบัติได้ศึกษากับครูบาอาจารย์อยู่ระยะแรกๆ ก, ก็ได้ส่งค้นพัฒนวิธีดับความทุกข์ทางใจแบบชั่วคราวได้คือเวลาที่มีความทุกข์ใจก็นั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานในระดับต่างๆพอใจสงบอยู่ในระดับฌานความทุกข์ใจที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจ ก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องออกมาดูแลร่างกายร่างกายต้องมีการเยียวยาดูแลรับประทานดื่มน้ำรับประทานอาหารขับถ่ายต้องมีการกระทําอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเวลาออกมาจากสมาธิ พอมาทำกิจกรรมต่างๆใจบางทีก็ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจที่หายไปในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นก็หวนกลับคืนมาใหม่พระองก็ทรงปรารถนาที่อยากจะให้ความทุกข์ใจนี้หายไปด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะ เวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถสอนเจ้าชายศิทธถะให้ดับความทุกข์ในใจในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิได้รู้แต่วิธีดับความทุกข์ทางใจด้วยการเข้าไปในสมาธิเท่านั้นเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสามารถสอนวิธีดับความทุกข์ทางใจในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิได้ ก็เลยต้องส่งไปค้นคว้าปฏิบัติลองผิดลองถูกเอาเองจนในที่สุดก็ได้พบกับพระอริยสัจสี่ได้เข้าถึงพระอริยสัจสี่ได้รู้ว่าเหตุของความทุกข์ใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินั้นเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองแล้วก็ทรงพิจารณาดู ธรรมชาติของร่างกายว่าทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่ก็<ม>พิจารณาว่าไม่ได้ร่างกายของคนทุกคนเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง<ม>เป็นอนัตตามไม่มีตัวมีตนเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับฝนตกแดดออกเหมือนกับดินฟ้าอากาศ<ม><ม>ที่มีการเกิดมีการดับไปอยู่เรื่อย ร่างกายก็เป็นเช่นนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอ ย, จยอยากไม่ตายอยากไม่ตายทนั้นเองด้วยการทําใจให้นิ่งๆเฉยๆไว้เวลาเจอความแก่ ก็ปล่อยมันแก่ไปเพราะห้ามมันไม่ได้อยากไม่ได้อยากก็ไม่ได้ทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องทาใจให้นิ่ ง, งๆเฉยๆได้ความนิ่งจากการฝึกสติฝึกสมาธิมานี้เป็นเครื่องมือไว้สู้กับความทุกข์เวลาที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ก็อยากไปอยากให้ไม่แก่อยากไม่ให้ไม่เจ็บอยากไม่ให้ตายพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็หายไปหมดความทุกข์ที่มีกับความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปหมดจึงทำให้พระองค์นี้เข้าใจถึงความจริงของความทุกข์ที่มีในใจของพระองค์เองว่าเกิดจากความอยากต่างๆ เช่นความอยากในร่างกายเพราะว่ามีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีร่างกายใจก็เลยต้องไปจับจองครอบครองร่างกายเพื่อเอาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือพอมีร่างกายก็รักก็หวง ไม่อยากให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปเพราะเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆได้ mm hmm. เมื่อตรงเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็ต้องละความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข โดยการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายก็มาใช้ความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิเข้าฌาน <c oughs> เข้ารูปฌปานหรือเข้าอารูปฌปานก็สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกาย <c oughs> จึงทำให้สามารถปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับร่างกาย <c oughs> อันนี้ก็จะทาให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแต่ยังต้องกลับมาเกิดในในพรมโลกอยู่เพราะใจไปยึดไปติดกับความสุขที่ได้จากการเข้าฌานเข้ารูปฌานหรือเข้าอารูปฌานเพราะว่าอาศัยรูปฌานหรืออรูปฌานเป็นเครื่องมือให้ความสุข แทนจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขถ้ายังติดอยู่ในรูปปัจจานหรือรูปปัจจานอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาในกลับมาเกิดเพื่อมาเสพ ร, รูปปัจจานหรือรูปปัจจานใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยก็ถึงตอนนั้นก็ต้องละการอยากจะเสบ ร, รูปปัจจานและการอยากจะเสพบรูปปัจจาน ด้วยการพิจารณารูปฌานและอรูปฌานว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นเหมือนร่างกายที่มีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยาาไปอยากเสพรูปฌานอย่าไปเสพอรูปฌานให้อยู่เฉยๆทำใจเฉยๆปราศจากความอยากพอสามารถทำใจให้เฉยชนะความอยากได้ ความอยากที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับใจก็จะหายไปแล้วความอยากที่จะพาให้กลับมาเกิดอีกก็หมดไปก็เลยได้เข้าถึงพานิพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในใจพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบเพราะว่าไม่เสกการแล้วละความอยากเสกการได้ไม่กลับมาเกิดในรูประพบ เพราะละการเสพลูก ป, ประชานได้ไม่กลับมาเกิดในอรูปภพเพราะละการเสพอรูปประชานได้ mm hmm. เมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็สงบนิ่งเป็นนิพพานขึ้นมา mm hmm. เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไป mm hmm. นี่คือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าด้วยพระ อ, องค์เอง mm hmm. เป็น เป็นธรรมที่ลึกซึ้งและยากที่จะเข้าถึงได้ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมอันนี้คือพระ อ, อริยสัจสีและตายรักได้ต้องมีต้องเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาอย่างโชคโชนวย mm hmm. จนพร้อมที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเข้าถึงพระ อ, อริยสัจสีเข้าถึงตายรักได้ mm hmm. ซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งซึ่งในยุคสมัยที่พวกเราอยู่กันนี้ก็มีเจ้าชายสิทธัตถานี่แหละที่ได้สละราชสมบัติออกบวชแล้วบำเพ็ญปฏิบัติ ธ, ธรรมอยู่หกปีด้วยกันจนได้ตัดสรลุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันนี้คือองค์ประกอบองค์ที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือการ มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แต่ยังไม่เป็นปัญญาแต่แ ต, แต่พระพุทธศาสนายังเกิดขึ้นมาไม่ได้ยังต้องมีสององค์ประกอบถึงจะทําทให้ครบองค์ประกอบของการมีพระพุทธศาสนาคือต้องมีการแสดงธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้มาเผยแผ่ให้กับผู้ผู้ต่อไป แล้วเมื่อมีการแสดงธรรมมีการได้ยินได้ฟังธรรมและได้นำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ mm hmm. ก็จะเกิดมีพระอริยสงฆ์สามอขึ้นมาตามมาต่อไป mm hmm. ถึงจะมีครบองค์สามองค์ได้ mm hmm. แต่ตอนที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆนั้นพระองค์ไม่ได้มีความปรารถนา mm hmm. อยากจะนำธรรมอันเลิศอันประเสริญนี้มาสั่งสอนใครมาบอกใคร พอเห็นความสามารถของสัตว์เลกว่าคงจะยาก oh. แก่สัตว์โลกที่จะสามารถนําเอาทำที่พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรตวนี้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาได้ mm hmm. ตอนต้นก็เลยไม่คิดว่าไม่คิดอยากที่จะนำำําธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนใครถ้าพระ อ, องค์ไม่สั่งสอนใคร พระ อ, องก็จะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่ตัดสิ้แล้วไม่นําเอาความรู้มาเผยแพ่สั่งสอนผู้อื mm. ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของตายลักษณ mm. ก็จะไม่มีใครสามารถบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกได้ mm. ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนา mm. พ, อ พ, พอพระประเจกะพอพระประเจกับพุทธเจ้าตายไปไมัน ทำมาที่พระพระปเจิากาพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปก็ไปติดไปกับพระประเจกพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวก็จะไม่มีพระพุทธาศาสนาปรากฏขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าของเรานี้ไม่เอาธรรมนเลินอันประเสริฐที่ได้ทรงตัดสรุนี้มาเผยแก่สั่งสอนให้แก่ผู้ตอนต้นก็ไม่อยากจะสอนเพราะคิดวยาก พอเห็นคนนี้บุ่งไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันเป็นส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าคงยามสอนไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยไม่คิดที่อยากจะสอนใครท้ามหาพรหมพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกก็เลยเอามาอราธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าขอให้ได้โปรดวินิจฉัยพิจารณา ให้รอบคอบอีกสักครั้งว่าจะมีผู้ใดสามารถรับธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระองค์ได้หรือไม่เ mm. มื่อได้ยินได้รับการอาราธนาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงวินิจฉัยพิจารณาดู mm. ก็สามารถแยกบุคคลต่างๆที่จะมารับธรรมะนี้เป็นบัวสีเหล่าแยกเป็นบุคคลสี่กลุ่มด้วยกันเป็นเหมือนบัวสีเหล่า mm. บัวที่อยู่เหนือน้ำนี่เป็นกลุ่มหนึ่งพวกนี้เป็นเหมือนพวกที่จะมีความพร้อมที่สุดสามารถรับพระธรรมวันประเสริฐที่พู้เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและเอามาสแสดงได้คือต้องเป็นพวกที่เป็นนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์และมีสมาธิมีฌานสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานไดส้สามารถทำใจให้นิ่งให้เฉยได้ ตรงนี้เป็นเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้าเพียงแต่รอให้แสงสว่างของดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเมื่อสัมผัสกับบัวแล้วบัวนั้นก็จะบานขึ้นมามตรงนี้เป็นพวกที่พร้อมที่จะรับธรรมที่พระเจ้าได้ทรงต ร, รัสโลคือพระอริยสัจ ส, สีและายรักได้และสามารถบรรลุธรรมตามได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วนี่เป็นพวกที่หนึ่งบัวเรา บัวที่เรียกว่าบัวเหนือน้ำพ<ม>วกที่สองนี้เป็นบัวที่กำลังอยู่ปริ่มน้ำยังไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่ใกล้จะโผล่แล้ว<ม>ตวงนี้เป็นพวกนักบวชเหมือนกัน<ม>เป็นพวกที่มีศีลที่บอยสุดแต่ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีฌาน<ม>ยังต้องฝึกสมาธิฝึกฌานไปก่อนจนกว่าจะได้สมาธิได้ฌานแล้วจึงจะกลายเป็นบัวเหนือน้าขึ้นมาได้ ถ้าถ้าเป็นบัวเหนือน้ำพอได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นกลุ่มที่สองที่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แต่ต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่อยู่พวกที่เป็นบัวเหนือน้ำพวกบัวเหนือน้ำนี้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถบรรลุได้ทันทีเลย แล้วก็มาบวชุดที่สามหรือกลุ่มที่สามบวที่อยู่กลางน้ําตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชเป็นคาราวะญาติโยมผู้มีความศรัทธาในบุญในปุศลในบุญในบาปเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อว่าสามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้แต่ต้องใช้เวลาให้กับการปฏิบัติ พมากขึ้นตรงนี้ก็ทำได้ก็เพียงแต่รักษาศีลห้าทำบุญทำทานเป็นปกติแล้วถ้าวันพระก็อาจจะไปภาวนาที่วัดทำใจให้สบงบฝึกสมาธิไปพังพางก่อนตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่จะสามารถรับธรรมันิระริฐของพระพุทธเจ้าได้แต่จะต้องใช้เวลาคือต้องฝึกฝน การเจริญสตินั่งสมาธิฝึกฝนการรักษาศีลจากศีลห้าก็ต้องไปรักษาศีลแปดก่อน เ, ออเมื่อรักษาศีลแปดไปเรื่อยๆแล้วปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็อาจจะเกิดความปรารถนาที่จะไปบวชขึ้นมา เ, ออเมื่อบวชแล้วก็จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิเจริญสตินั่งสมาธิให้เข้า เ, เ, เข้าเข้าฌานได้ก็จะกลายเป็นบัวเหล่าที่สอง mm hmm. เหล่าที่หนึ่งไป จากบัวกลางน้ำก็กลายเป็นบัวปลิ่นน้ำจากบัวปลิ่นน้ำก็กลายเป็นบัวเหนือน้ำขึ้นมาตรงนี้ก็ในที่สุดก็จะสามารถบรรลุธรรมได้แต่ต้องใช้เวลามากกว่าแล้วก็บัวชุดที่สี่บัวที่ยังอยู่ในโครนในตมอยู่บัวนี้โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้นี้แทบจะไม่มีเพราะส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป ตรงนี้ก็เป็นพวกที่เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อในบุญในบาปไม่มีความเชื่อในสวรรค์ในนิพพานในการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ก็ไปสอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นพวกบัวที่ไม่สามารถที่จะเจริญงอ่งามขึ้นมาได้บัวชุดนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไปไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ความไม่ไม่ให้ความสนใจที่จะไปสั่งไปสอน ก็ลเลือกสอนวัวสามเหล่านี้ได้<ม>ในเบื้องต้นจึงตัดสินใจไปฮะไปหาพวกวัวเหนือน้ำก่อน<ม>พวกที่เป็นนักบวช<ม>พวกที่มีศีลบริสุทธิ์พวกที่เข้าฌานเข้าสมาธิได้ตอนต้นก็นึกถึงครูบาอาจารย์สองรูปที่ท่านเคยไปศึกษาด้วย<ม><อ>ก็เป็นนักบวช ท, ที่มีศีลที่บริสุทธิ์สามารถเข้าสมาธิขั้นรูปฌปานและรูปฌปานได้<ม>ถ้า เอาธารรมะที่ได้ส่งตัดสรุนี้ไปเผยแผ่ไปเล่า บ, บอกให้ฟังครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ตัดสรุธรรมได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายเพราะได้ข่าวว่าสองรูปนี้ได้พึ่งรอน้าภาพไปไม่กี่วัน คนนึงรู้สึกจะเดือ น, นอีกคนหนึ่งรู้สึกประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมา <Yes. S 1> ก็เลยเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าจะไม่ได้รับโอกาส อ, นนอันนี้แล้วการจะกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์นี้ <Yes. S 1> ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานอาจจะไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกอีกแล้วถ้าไม่มีก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆก็เลยนึก <Yes. S 1> ถึงกลุ่ม พระภิกษุหรูปสามนญเพศห้ารูปนักบวชห้ารูปที่เรียกว่าพระบรปั ญ, ปญจวัคคีผู้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเคยติดตามรับใช้คอยศึกษา่รเรียนจากพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าทรงละการทรมานตนด้วยการอดอหารก็เลยเสื่อมศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าแยากตัวออกไปปฏิบัติกันตามลาพัง อุทธเจ้าก็นึกถึงพระปัญจวัคคีย์ว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระองค์ได้ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ก็ได้พบกับพระปัญจวัคคีย์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดพรปัญจวัคคีย์เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกเป็นปรากฏการเป็นปรากฏเป็นการปรากฏขึ้นมาของพระธรรมคําสอนต่อโลกเป็นครั้งแรกด้วยการแสดงพระธรรมจักกัปปวตนสูตร อันนี้เป็นธรรมันแรกคำสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเป็นการปรากฏขึ้นมาของพระธรรมองค์ประกอบที่สําคัญองค์ที่สองแล้วพอได้ทรงแสดงธรรมเสร็จหนึ่งในพระบัญจวะคีก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาเป็นพระโสดาบันทรงเข้าใจหลักของตายลักว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา เป็นร่างกายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงได้ไม่ไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตะใจก็ไม่ทุกข์ข <S S> ึ้นเพราะนั้นก็เลยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ทั้งสามองค์ มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมมีพระอริยสงสาวุกหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นพระโสดาบันวันนั้นเลยยังถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันเพ็ญเดือนแปดสองเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สรงตัดสรุแล้วพอพอหลังจากนั้นสองเดือนก็ทรงตัดสินพระไทยว่าจะไปแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก ก็เลยเลือกข้อปัญจาวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกก็เลยได้พระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่โลกก็เลยเป็นวันที่มีพระองค์ประกอบสามองค์ที่สําคัญต่อพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนและมีพระอริยะสง์สาวกุกอันนี้ถือว่าเป็นวันเกิดของพร ะ, พ, ระพุทธศาสนา ส5ห้าปีก่อนก่อนพุทธศักราชพุทธศักราชนี้เรานับเริ่มต้นหลังจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จสวรรคตเสด็จปรินิพานไปแล้วซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่สอง8ัน้าหสถ้าอยากจะรู้วันเกิดของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องบวกอีกสี่สิบห้าปีเข้าไป2568บบวกสี่ ส5หปีก็ได้สอง3หสิบสามปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนาและจะดำรงอยู่ไปเรื่อยๆตราบใดที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นผู้ที่ให้คำรู้คำสอนแก่กา่สัตว์โลกพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทำนายว่าศาสนาของพระองค์นี้จะอยู่ได้ประมาณห0 0 0ันปีด้วยกัน และถึงแม้ว่าตัวพระองค์เองจะจากไปแล้วก็เพียงแต่จากไปเพียงทางร่างกายเท่านั้นเองแต่ทางความรู้วิชาวความรู้นี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับตัวที่เหมือนกับทรงอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ด้วยการรักษาพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนี้มาเป็นเป็นพระพุทธเจ้าแทน พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าทำรรวินัยที่เราได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าถ้าพวกเธอมีคาสอนของเราของพระพุทธเจ้าที่มีการจดจํามีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ดังนั้นเรายังถือว่าพระพุทธพระธรพระสงค์ยังมีครบองค์อยู่ ยังสามารถรักษาให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ต่อไปอได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆจนกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะหายไปจากโลกนี้จะหมดไปท่งนั้นจึงจะทำให้พระพุทธศาสนานี้เสื่อมหมดไปได้และวิธีที่จะรักษาให้พระพุทธศาสนานอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆก็ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริม ผู้ที่จะมาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ที่จะมาสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระภิกษุหรือพุทธบริษัทสี่นี่ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาบุคคลเหล่านี้เป็นเหมือนกับเป็นพวกบัวที่พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเริ่มต้นหนา จ, จะเป็นบัวกลางน้ำก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นบัว ปน้าแล้วต่อไปก็จะเป็นวัวเหนือน้าขึ้นมาแล้วก็จะแล้วก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นพระอริยรสงสาวกขั้นต่างๆแล้วหลังจากที่ได้เป็นพระอริยรสงสาวกก็จะสามารถมาทำหน้าที่เผยแผ่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ได้ต่ออีกทอดหนึ่งเพราะถ้าเราศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวนี้อาจจะยาก กว่าการที่เราได้ไปศึกษากับพระที่เป็นพระอริยบุคคล mm. เพราะพระไตรปิฎกนี้เป็นเป็นหนังสือเป็นตำราที่มีเรื่องมากมายหลายเรื่องบรรจุอยู่มีเป็นหมื่นเรื่องเวลาศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีและอันไหนเป็นเรื่องสำคัญอันไหนที่อันไหนเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า เราก็ไม่รู้วิธีการปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรเราก็อาจจะไม่รู้ได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราได้ไปพบกับพระอริยสงสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะสามารถสอนขั้นตอนของการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกดังนั้นการรักษาให้มีพระอริยสงสาวกอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยจึงเป็น สิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนา mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่มีพระอริยสงสารโกหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วจะไม่มีใครสามารถที่จะมาสอนให้รู้ได้อย่างชัดเจนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้จะต้องทำกันอย่างไรบ้างก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกกันไปแล้วก็อาจจะมีบางท่านบางคนสามารถ ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็สามารถนำมาไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่จะได้ศึกษาจากพระอริยสงสารลกโดยตรงดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราผู้ปรารถนาผู้มีความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาอยากจะให้ศาสนาอยู่คู่กับโลกเราไปนา น, าน ก็จำเป็นที่จะต้องมาคอยทำนุบำรุงพุทธบรตยสัตว์สีิกษุภิกษุนีตอนนี้ก็หมดไปแล้วก็เหลือสามก็มีภิกษุก็เอาสามเณรมาแทนภิกษุณีภิกษุิ ก, กุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็ผู้ชายที่ปฏิบัติถือศีล8ปแล้วก็ปฏิบัติบำเพ็ญจิตตะภาวนา ผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาอย่างญาติโยมผู้หญิงที่มาอยู่วัดนุ่งขาวห่มขาวนี่ก็ถือว่าเป็นอุบาสิกาผู้ชายคารวาที่มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าเป็นอุบาสอุบาสกนี่คือบุคคลที่จะสามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ แต่ยังต้องมีการศึกษาและการปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถบรรลุเข้าถึงพระอริยะขั้นต่างๆได้เข้าถึงขั้นพระโสดาบันพระสกิราคามีพระนาคามีและพลระอรหันได้การที่จะเท่าถึงธรรมเหล่านี้ได้นั้นจาเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติถ้ายังต้องทำมาหากิน เป็นธารวะผู้คลองเรือนอยู่เวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติกับการศึกษานี้จะไม่เพียงพอ<ม>อาจจะได้บ้างแต่อาจจะไปได้อย่างเชื่องช้าไ ม, ม่อาจจะไม่ทันกับเวลาของชีวิตนี้ก็ได้เพราะชีวิตของเราทุกคนก็จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อ ย, อย<ม>ถ้าเราปฏิบัติแบบเชื่องช้าเวลามันอาจจะหมดก่อนที่เราจะถึงหลักใยก็ได้ ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่เห็นความสำคัญของเวลาเห็นความสำคัญของการปฏิบัติก็อาจจะต้องเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นค า, า, ารวะผู้ครองเรือนไปเป็นนักบวชเพราะว่าเมื่อเป็นนักบวชแล้วนี้จะไม่ต้องมากังวลกับภารกิจของเรื่องของการทำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงชีพเลย สามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าเป็นนักบวชถ้าเป็นคารวะ น, นี้<ม>เวลาที่จะปฏิบัติได้ในแต่ละวันอาจจะมีน้อยมากเพราะพ<ม>อตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็ต้องรีบไปทํางานทํางานก็นจะเสร็จกลับบ้านก็บางทีก็เย็นค่ํารับประทานอาหารแล้วก็เหน็ดเหนื่อยจะนั่งสมาธิก็ง่วงนอน<ม>ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เป็นก่อเป็นกรรม จะสามารถปฏิบัติได้ก็ช่วงในวันหยุดวันที่ไม่ต้องไปทำงานก็อาจจะไปเปรกวิเวกอยู่ตามวัดตามสถานที่สงบก็ปฏิบัติได้แค่วันนึกสองวันเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะเป็นไม่ไม่เพียงพอเพราะว่าผลที่ได้รับในวันสองวันพอออกลับมาทำงานผลที่ได้นั้นก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วพอถึงวันเสาวหน้าที่ถึงวันหยุดขาวหน้าก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ เพนผู้ที่เห็นความสําคัญของเวลาเห็นคุณค่าของเวลาว่าสําคัญยิ่งกว่าเงินทองต่างๆเพราะเงินทองนี้ไม่สามารถทําให้บรรลุธรรมได้เงินทองความจริงกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นเครื่องกีดขวางเพราะเงินทองนี้จะเป็นเครื่องรับใช้กิเลสตัณหาที่อยากจะให้เอาเงินทองนี้ไปเที่ยวไปกินไปเดิมไปดูไปฟังกันก็จะทําทให้สูญเสียเวลาอันมีค่า ให้กับการปฏิบัติไปผู้ที่มีการปรารถนาอย่างแรงกล้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่แท้จริงที่จะนําพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ก็มักจะพุ่งเป้าไปสู่การเป็นนักบวชกันเพราเมื่อได้เป็นนักบวชแล้วก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติ ได้มากกว่าการเป็นคาวาะผู้คลองเลนเพราะว่าการการอยู่การกินของนักปฏิบัติก็อยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องเึร่งยากไม่ต้องใช้เวลามากในขณะที่เอาเวลามาเลี้ยงดูร่างกายก็ยังสามารถปฏิบัติควบคู่ไปได้ด้วยเช่นการหากินของพระนี่การบินนบาตนี้ไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นการหาอาหารมารับประทานเท่านั้น เพราะว่ายัางเป็นการปฏิบัติไปในตัวด้วยพอเวลาที่เดินบินธบาะนี้ก็เหมือนกับเดินจงกรมเพราะท่านจะมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับสิ่งที่รู้ที่เห็นในขณะนั้นให้ใจอยู่กับพุทธโธพุทธโธไม่ให้ไปคิดถึงอาหารที่ได้เข้ามาในบาะไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับอาหารที่ใส่เข้ามาไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับบุคคลต่างๆ ให้ควบคุมใจลมให้มีสติอยู่กับการรับบาสเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการฝึกสติไปในตัวในขณะที่ไปไปไปรับบินทบาทในขณะที่กลับมาที่วัดเพื่อมาขบมาฉันในขณะที่จัดอาหารใส่บาสในขณะที่ฉันที่เคี้ยวที่ขบก็ปฏิบัติไปควบคู่ไปด้วยเพราะจะปฏิบัติสติอยู่ทุกเวลานาที จะรู้ว่ากําลังตักอาหารเข้าบานเข้าปากรู้ว่ากําลังเคี้ยวรู้ว่ากําลังกืนรู้ทุกขั้นตอนของการรับประทานอาหารใจจะไม่ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดอยู่แล้วเพราะถ้าเราเป็นนั่งบวแล้วเราสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปหมดแล้วสละครอบครัวสละบุคคลต่างๆสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละอะไรต่างๆที่เคยมีอยู่ในขณะที่เป็นคราวาส มาเป็นพักก็ไม่มีอะไรติดตัวมามาแบบตัวเปล่าๆเหมือนเ่อเหมือนคนเกิดใหม่เลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มฝึกวิชารกาคือคือการเจริญสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไม่ปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆไม่ให้ลอยไปกับความโลภความอยากต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ลอยไปแล้วเดี๋ยวความโลภความอยากนี้ จะสร้างความทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมาจะทําให้ผ้าร้อนขึ้นมาได้น่ะอาจจะทนอยู่เป็นนักบวชต่อไปไม่ได้ถ้ามีความอยากที่จะไปกลับไปอยู่แบบคารวะใหม่อยากจะไปเสพกามต่อไปอยากจะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ะอยากจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยากจะไปพบคนนั้นคนนี้ อยากจะไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดปล่อยให้เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ผ้าร้อนขึ้นมาจนกระทั่งทนหมผ้าผ้าเหลืองต่อไปไม่ได้ก็ต้องลาสิกขาไปดังนั้นเวลาที่มาปฏิบัติเวลาที่มาบวชจงึงต้องคอยควบคุม ค, มความคิดให้ได้ควบคุมควบคุมความโลภความอยากต่างๆให้ได้ด้วยการเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากําลังจะทําอะไร ก็พ you, ุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวความโลภก็จะเกิดขึ้นมาความอยากก็จะเกิดขึ้นมาแล้วความร้อนใจก็จะเกิดขึ้นมาใจที่เคยเย็นอยู่ก็จะกลับร้อนขึ้นมาทันทีต้องรีบใช้สติหยุดความร้อนนี้ให้ได้อย่าปล่อยให้มันอามไปถึงผ้าเหลืองถ้ามันร้อนถึงผ้าเหลืองแล้วเดี๋ยวมันหอมผ้าเหลืองไม่ได้มันก็ต้องลาสิกขาไป นักปฏิบัตินักบวชนี้ถ้าอยากจะอยู่ไปได้เป็นนักบวชแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นี้จำเป็นต้องมีความเข้มงวดกวดขันกับการปฏิบัติสติอย่างยิ่งพระวุทธเจ้าทรงตรัสว่าสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญในทุกกรณีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยต้องคอยใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปโลภไปอยากไปคิดถึงเรื่องอะไรต่าง ให้อยู่กับร่างกายให้อยู่กับการกระทำของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรก็ให้อยู่กับตรงนั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้หรือถ้ามันยังจะไปอยู่ก็ใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธช่วยก็ได้ใช้ได้สองอย่างใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นเครื่องดึงใจไว้หรือผูกใจไว้กับการกระทาของร่างกายไปในขณะที่เราต้องทาจิต ต่างๆที่จาเป็นเช่นบินเช่นหาอาหารมารับประทานแล้วก็ทำความสะอาดต่างๆพอเราเสร็จภารกิจทางร่างกายแล้วเราก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจเจริญสติต่อคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดแล้วพอถึงเวลานั่งสมาธิได้ก็นั่งหลับตาถ้ามีสติคอยควบคุมใจมาอย่างต่อเ น, นื่องแล้วโอกาสที่จะทาใจให้นิ่งให้เข้าสมาธินี้จะ เข้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่งเพียงไม่กี่นาทีจิตก็นิ่งสงบได้เข้าฌานได้มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบได้ถ้าได้เข้าถึงความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วมันก็จะผูกใจดึงดูดใจให้อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรยพราะไม่มีความสุขอันย่างใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนีถ้าใครได้ ได้ได้เข้าสมาธิได้แล้วนี้โอกาสที่จะลาศิกขาไปบวชนี้จะไปไปไปเสบนี้ใจเป็นของที่ยากมากเ<ม><ม>พราะว่าได้ของที่ดีกว่าแล้วดีกว่าการกลับไปอยู่แบบคารวา่าถ้ากลับไปอยู่เป็นคารว่าก็ต้องไปเสบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นความสึกที่เหมือนควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป พอหมดไปก็ปล่อยให้ใจรู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็ต้องไปหาใหม่มาแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้ก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะอยู่กับใจไปนานพอสมควรพอออกจากสมาธิมาความสงบก็ยังมีอยู่ค้างๆ้างอยู่ในใจแล้วถ้ามีสติคอยรักษาไว้ต่อไปมันก็จะไม่มี มันก็จะไม่วุ่นวายมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านชีวิตของการทั้งปวดก็จะเป็นไปอย่างราบเรื่นอย่างมีความสุขสลับกันไปเจริญสติแล้วก็เข้าสมาธิไปแล้ขั้นต่อไปพอชานาญในการเจริญสติเข้าสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องมันเจริญปัญญาเพื่อกําจัดความรู้ความอยากต่างๆตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการพิจารณาสิ่งที่ความอยากต้องการความอยากขั้นต้นก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็ต้องพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้ทุกข์เพราะว่ามันจะไม่ได้ให้ความสุขเราตลอดเวลาเวลาเราเสพบางทีเราก็ได้ความสุขบางทีเสพแล้วความสุขนั้นก็หายไปพอหายไปมันก็จะทาให้เราเศร้าทาให้เราทุกข์ขึ้นมา แล้วเราก็ควบคุมบังคับสั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไปสั่งไม่ได้สั่งให้ลมพัดหรือสั่งให้ฝนตกไม่ได้ฉนั้นได้เราไปสั่งให้รูปเสียงกินลดมาให้ความสุขเราทุกเวลาที่เราต้องการไม่ได้พอเราสั่งไม่ได้มันก็จะทให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เลิกเสพการเสีย เลิกเกสพรูปเสียงกินลดเสียงเพราะรูปเสียงกินลดก็เป็นเหมือนยาเสพติดดีๆนี่เองเวลาที่เราไม่เสพยาเสพติดนี้เราจะไม่ทุกข์กับยาเสพติดเวลาไม่มียาเสพติดถ้าเราเสพเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราไปติดยาเสพติดแล้วนี่เวลาอยากจะเสพแล้วไม่มีให้เสพนี่ใจเราจะทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าเราเลิกเสพได้เลิกติดได้ไม่ติดยาเสพติดได้ ต่อไปก็จะรู้สึกเฉยๆกับยาเสพติดนะเห็นยาเสพติดก็ไม่ได้มีความอยากอยากจะเสพแต่อย่างใดไม่มียาเสพติดให้เสพก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอย่างไรเช่นเดียวกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการดูหนังฟังเพลงการดื่มการรับประทานอะไรของที่เราชอบนี้การซื้อสิ่งต่างๆที่เราชอบนี้ล้วนเป็นรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นล้วนเป็นยาเสพติดทั้งนั้นเราต้องตัดไปให้หมดเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่ได้จากความสงบนี้พอเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ใจก็กลับมาสงบเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิไปเราสามารถมีความสุขได้โดยการที่เราไม่ต้องเสพอะไรเช่นเดียวกับพอเราเลิกเสพกามได้เราก็ไปติดกับการเสพความสงบของรูปฌปานหรืออารปูปฌานเราก็ต้องพิจารณาว่ารูปฌปานและอารูปฌปานก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน uh huh. เวลาเข้าฌานมันก็ให้ความสุขกับเรา เวลาออกจากฌานมาความสุขนั้นก็หายไปก็เป็นเหมือนยาเสพติดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการเสพฌานเสพรูปฌปานเลื่อลูปฌานเราก็อยากไปเสพมันมองให้มันเห็นว่ามันเป็นยาเสพติดมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันจะทําให้เราทุกข์มันจะมันเราสามารถไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา รูปเสียงกลิ่นแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปประชาณรูปประชานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นสิ่งต่างๆอหล่านี้เป็นตายรักหมนก็ตัดความอยากในสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็เลยสงบนิ่งมีความสุขโดยธรรมชาติของมันเหตุที่ใจไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มความพอก็เคาะความอยากเหล่านี้พอตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจได้ ใจก็จะอิ่มใจก็จะพออยู่ตลอดเวลาใจที่อิ่มใจที่พอก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็สามารถที่ยาวความรู้ที่ได้จากการบรรลุธรรมเหล่านี้มาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือนี่คืองานที่พระอรหันต์แสาวโลกแต่ละรูปได้ทากัน หลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็มาทําหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้กับผู้ที่สนใจพอพระพุทธเจ้าตรัสจากไปพระหลานสาวกทั้งหลายก็มาช่วยกันทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแล้วพอพระที่มีอายุมากตายไปก็มีพระหลานที่มีอายุน้อยโผล่ขึ้นมาใหม่มาคอยทําหน้าที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เหตุที่ศาสนาของเรายังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่า ระพุทธศาสนายังมีพระอริยสงสาวกค์คอยทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะถ้าจะอาศัยการศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวนี้ก็อาจจะช้าและอาจจะหลงทางได้เพราะว่าผู้ที่ศึกษานี้อาจจะไม่เข้าใจความหมายของขรอธรรมคำสอนก็ได้อาจจะแปลความหมายที่อ่านมาจากพระไตรปิฎกผิดไป เมื่อแปลความหมายผิดไปการปฏิบัติก็จะผิดไปผลที่จะเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าไปศึกษากับพระที่ได้ศึกษาได้ได้บรบรลุธรรมแล้วนี้จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรเวลาไปศึกษากับท่า น, ท, านท่านก็จะได้บอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนแล้วถ้าเรานำมาไปปฏิบัติตา่างเราก็จะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมต่างๆที่พระอริยบุคคลทั้งหลายได้เข้าถึงได้ เราก็จะสามารถเมื่อเราเสร็จภารกิจของเราแล้วเราก็สามารถทําหน้าที่ช่วยเผยแผ่ทำหน้าต่อไปให้กับผู้อนได้ช่วยรักษาพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้เรื่อยๆตราบใดถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติกับพระอริยสงสารโลกอยู่ตามนั้นศาสนาก็ยังจะอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆถ้าตราบใดถ้าไม่มีพระอริยสงสารโลกมาคอยสั่งสอนแล้วเนี่ย พระศาสนาก็จะค่อยๆหดไปหดไปเพราะผู้ที่จะมาศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวนี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าจะเข้าใจและอาจจะหลงทางได้เมื่อหลงทางแล้วก็จะไม่ได้ผลและบางทีปฏิบัติไปแล้วเวลาก็อาจจะไม่พอก็ได้อาจจะถึงถึงแกเ่เสียชีวิตไปก่อนก็ได้ถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าได้ศึกษากับพระอเนสสงสาวงนี้ จะเป็นทางลัดกว่าทางที่สั้นกว่าเร็วกว่านะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จริงหรเห็นจริงและสามสารถทำพิธีที่จะเข้าถึงความรู้นี้ได้อย่างง่ายดายและรวด เ, เร็วนั่นเองดันะงนั้นถ้าเราอยากจะให้ศาสนาเราอยู่ไปานานๆเราก็ต้องพยายามเข้าหาบุคคลที่ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็พยายามสนับสนุนบุคคลที่ มุ่งเป้ามุ่งเป้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานส่งเสริมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ท่านมีที่ปฏิบัติที่สงบให้มีปัจจัยสี่พร้อมเพรียงที่จะดูแลร่างกายของท่านแล้วเราก็จะได้มีผู้นําที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วเราก็ต่อไปเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็จะได้มาทําหน้าที่ เผยแผ่พระธรรมต่อไปทำประโยชน์ให้กับพร ะ, พระศาสนาต่อไปรักษาพระศาสนาให้อยู่ยาวนานต่อไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการเกิดขึ้นมาของพระพุทธศาสนาและของการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้แล้ว ก็จะสามารถทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่บุคคลรุ่นหลังต่อไปได้ศาสนาก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติอยู่ถ้ามถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรุษุธรรแล้วศาสนาก็จะค่อยๆหดตัวลงไปเรื่อยๆจนต่อไปในที่สุดก็จะไม่มีศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกต่อไปก็ต้องรอให้มีพระ พระโพธิสัตว์องค์ใหม่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่ให้แก่สัติโลกใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือเรื่องของการปรากฏการของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยมีมาปรากฏอยู่เรื่อยๆปรากฏแล้วก็ตั้งอยู่ได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จางหายไปแล้วก็รอให้มีพระโพธิสัตว์องค์ใหม่มาตรัสรู้ใหม่มาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วก็มาสอนธรรมะใหม่ มาสร้างพระพุทธศาสนาอันใหม่ขึ้นมาพระพุทธศาสนามีปรากฏอยู่เรื่อยๆแต่นานๆจะมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งครั้งโอกาสที่เราจะได้มาเกิดและมาเจอพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายจึงเราเราจึงควรที่จะรีบฉวยโอกาสที่อันยากนี้ที่เราได้มาเกิดได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาในพพนิชานี้ พยายามศึกษามาพยายามปฏิบัติให้หลุดพ้นให้ได้เพราะว่าถ้าเราพลาดไปยังไม่สามารถหลุดพ้นได้เราก็อาจจะต้องไปรอพบกับพระพุทธศาสนายุคใหม่ซึ่งไม่รู้อีกกี่ล้านปีถึงยังมีขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งตอนนี้อย่าปล่อยเวลาปล่อยโอกาสอันดีงามให้หลุดมันไปพยายามเพียรศึกษาพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้แล้วการหลุดพ้นก็อาจจะเป็นผลที่จะตามมา นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พ่อนอยะถ า, าวาเลวะหาปูราปริกุเรนติสาขังเอวามวาอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิชิตังปะทิตังตุมังคิ ป, ปะเมวาสมิจโต สัพเพปเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมัเตภวัตวันตราโยสุขิทิขายุโกภวะ อัิวาธนศีลิกษะนิจังวุธาประจายินโนจัตารวธรรมวัททานติอายุวะโนสุข้งพาลามพาช่วงต่อบในนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามเคยมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต299คน YouTube พระสุชาติ l i ฟ e 310 YouTube Dr. V Channel 42วิทยุออนไลน์13 Clubhouse 6ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุติ171คนรวมทั้งหมด841ครับ มีคำถามจากทางผู้รับฟังหน้ากุฏิครับปกตินั่งสมาธิทุกวันแต่หลังๆมาสองสามวันนี้เวลาที่นั่งมีอาการเหมือนกล้ามเนื้อไม่สบายทั้งตัวตอนนั่งสมาธิใจไม่ค่อยสงบครับรู้สึกร้อนๆ อ, อันนี้เป็นอาการปกติไหมครับและแก้ไขอย่างไรครับเป็นอาการขาดสติไม่มีสติคอยควบคุมใจใจก็เลยฟุ้งซ่านขึ้นมา ดังนั้นต้องพยายามใช้สติให้มากมก่อนที่จะมานั่งพยายามพยานพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเวลามานั่งแล้วมันจะข้างค้างอยู่ในใจจะทําทให้ใจรู้สึกมีความรุร้มร้อนขึ้นมาได้นั้นต้องพยายามฝึกสติบ่อยมากๆก่อนที่จะมานั่งจากผู้รับฟังนากุติครับมีสามคำถามคําถามแรก ทุกเช้ามีโอกาสได้นั่งสมาธิสวดมนต์ในระหว่างใกล้จะหนึ่งชั่วโมงโยมเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในปฐมฌมานและพิจารณาธรรมโดยพิจารณาธาตุและขันห้าตามความเข้าใจนั้นก็สามารถนั่งต่อและพิจารณาดูความเจ็บปวดแล้วก็หายไปตอนที่นั่งเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมง30นาทีจิตมันก็เกิดความเบื่อและอยากถอนออกจากสมาธิครับอันนี้คือนิวรที่เกิดดับใช่ไหมครับ อยากจะนั่งปฏิบัติต่อแต่ก็ต้องมีภาระอื่นที่ต้องทำโยมควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีครับก็ต้องหาเวลาไปปฏิบัติอยู่ที่วัดนานๆเพราะถ้ายัางต้องทำมากินอยู่มันก็ปฏิบัติได้เป็นช่วงๆเท่านั้นเองคำถามที่สองโยมเคยได้ยินมาจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นบอกว่าการที่เราชอบและพยายามเรียนรู้และตั้งใจปฏิบัติธรรม อันนี้ถือว่าเป็นปรมาภิปรมีแล้วใช่ไหมครับเพราะจิตใจนั้นอยากจะปฏิบัติและไม่อยากเกิดอีกตลอดเวลาครับคือไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรหรอกสนใจว่าเราสามารถไปปฏิบัติได้หรือเปล่าก็พอถ้าปฏิบัติได้ก็ถือว่าดีคำถามที่สการที่จะนั่งฟังธรรมนั้นบางทีนั่งสมาธิอยู่ในท่านั่งสมาธิฟังธรรมเลย แต่ถ้าให้นั่งพัพเบเพียรฟังธรรมโยมมีปัญหาเรื่องเขาปวดเข่ามากครับต้องนั่งขัดสมาธิแต่เกรงว่าจะไม่เหมาะสมควรทําอย่างไรครับที่นียเขาก็นั่งขัดสมหลากันก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญนะถ้านั่งพัพเบเพียรไม่ได้ก็นั่งขัดสมาธิไปก็ได้เพราะเราถือว่าเรากําลังปฏิบัติสมาธิไป respect v e n Speak Thank loud you. There. Speak louder. Yeah. Thank you for your time. And my question is related to the effort and energy in the practice. Mm -hmm. um, I usually put uh, quite effort. I would say a lot of effort. I like to do that, um, and my practice uh, is going on. But uh, then something happens. And I feel sad. I feel agitated. I feel lazy, and I stop putting effort. And I have to go back in my practice and start not from the beginning, but I lost I lost practice, and I don't know really how to deal with it because it usually happens to me. Thank you. You have to. You have to use a lot of mindfulness to bring your your practice back to to where you uh, keep reciting mantra, butto butto butto. It may take a while, but the energy will come back. If you have if you you m y can stay with the mantra butto butto all the time. So just just recite butto butto butto all day long. I promise you, you. You you will have more energy to practice. Okay. Okay. Thank you. Dear Venerable, um, I have a question about sila. Um, I wonder how to find the balance between caring about the sila or the way we interpret vinaya. And also not being attached to views, because I know many different places live the Vinaya in different ways, which I respect very much. At the same time, I wonder to find a community of Sangha to live with. Where to find the limit between going with the flow of the Sangha, because there are different traditions, different way to live the Sila. How to find if one should follow their intuition or how the Sila is important for ones, or maybe. It's too much attachment to a point of view, and should let go of something. I know. I don't know if my question is clear. I I couldn't hear your question because of that noise. c o u l d you speak louder, please? Yes. Mm. How to make the difference between, um, or how to find, make the choice between respecting to live the sila in the way we. Feel resonate with with ourselves, mm -hmm. and not falling into attachment to view and being too strict maybe with the discipline because there are many different traditions in Buddhism, many communities, and I respect how everyone lives their own. But for myself, for example, to find my own community, how do I know if I'm too attached to this precept or this way of living the vinaya, and I should let go? And stay in this place of practice, or just move on, respect their own practice, and find another place where the sila is more in, in accordance with my own practice. I s e e it depends on where you are. If you are alone, you can practice the way you want to practice. But if you're a in a group, in a community, then you just have to follow the community. So you have to. Try both ways and see which way is better for you. If you, you practice alone on your own better, then you should practice on your own. But if you find practice with the community is better, then you should stay with the community, follow the community rules. You have to look at the result of your practice. Okay? So there's no no fixed rule. It's Just you have to experiment. Trial and error. All right. Some community might be too strict for you. Some community might be not as strict as you want it to be. So you just have to find the right one for you. Whichever it is, t h uh, s me. k n tham ta yong lang. dear, when h e bo, I. I think I have an article during my practice. Can you speak closer, louder? Yes. Um, in my opinion, I think that it's like um, really hard or rare to find a Kalyamita who can support the a p r a c t i c e as well. Um, but in some case, I consider if we are supporting our each other to. Practice i n t e way to how we communicate, how we being with each other in practice to support. But sometimes I consider if mm, me or myself, I'm sorry, uh, I I know that we should not say it like that. If I consider myself as an article for my kalayamita, should I keep being kept? The relationship, like being together to support, because it's really hard to find someone who like uh, can understand and can have a good support for yourself in your way of practice. As I'm, I'm a new beginner, so I think that I need that support. t but I think what if I make my friend practice like become more difficulty. Should I just um, let go of that, or I just stay p r i t i c h myself and the other will consider and take care of themselves? Well, it depends whether you can benefit from that person or not. If you can benefit, then you can stick with that person. If you find it's not beneficial anymore, then you might not have to stick with that person. Eventually, you have to be able to to practice alone. At the start, you might still be weak and not able to rely on yourself, so you have to rely on somebody to assist you first. But once you become strong enough to be able to practice alone, and you find that the the other person no longer give you the the benefit that you want, then you can then live and go practice alone. Yeah, thank you. Um, okay. So I can, may I ask some more detail? Because I consider it as if it's too selfish to just think about us ourselves. Instead of think about another practice. Can you repeat the question? Can you speak closer to the microphone? Put the microphone close to your mouth. Yes. Uh, be because you you take the the advice from me, like consider about the benefit. So sorry, for, for me, yes, I, I still think that I'm weak and I need someone who s u p p o r t e I'm not able to practice myself for now, but I consider it's still like um, selfish, just only think about me myself. But it's like make an impact not good to the other practice. So what could I do? Well, it depends on wh whether you have any contract with that person or not. That you have to stick with that person forever or not? If, if you don't have any contract, then you just, you can just have to separate. It's like when you go to school, you don't stay in school all the time, right? Once you find the school no longer benefit you, then you leave the school and go to another school. So another person is like a a place where you you study from. Once that place no longer give you any more knowledge that you need, then you have to go look for. Other place, so this is not selfishness. It's it's a matter of survival. It's a matter of advancing in your practice. Thank you, p a n t e Okay, and the person who you stick with usually must, if they are if they are really advanced in the Dhamma, they they don't want you to stick with them anyway. They want to help you to go get up. To get up and be able to be on your own. Once you are on your own, they are happy to let you go. Okay. มีใครอยากจะถามไหมทางนี้เดี๋ยวจะเาไมคกลับมากันนะ Okay. ถามต่ออ่ามีใครถามไหม ค, คำถามคำถามต่อไปจากทาง Facebook YouTube คุณใบยกลูกปฏิบัติทม ที่ฟังจากพระอาจารย์แล้วปฏิบัติเลยเจ้าค่ะระหว่างวันก็บริกรรมสลับกับการใช้ปัญญาแม้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเวลาที่นั่งสมาธิลูกเข้าสู่สภาวะอุเบกขาได้ไวขึ้นเมื่อถึงสภาวะนี้เวทนาจะไม่มีผลใดๆจิตวางเฉยได้ดีกว่าแต่ก่อนครับลูกไม่ได้ไปเจาะลึกกับคำสั์แต่ฟังแล้วนามาปฏิบัติลูกรู้ว่าจิตใจนี้สาคัญที่สุด ปฏิบัติแบบนี้ไม่เจาะลึกลงไปในคำศัพท์ต่างๆใช้ได้หรือไม่อย่างไรขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับเรา ด, ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นะถ้ามันทำให้ใจเราสงบมีความสุขก็ใช้ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจคำหมายของคาศัพท์ให้ลึกซึ้งกว้างขวางให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเท่านั้นเองทำแล้วได้ผลดีแล้วก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อย คำถามต่อไปจากคุณปณิตาเมื่อนั่งภาวนาเป็นเวลานา น, านๆพอใกล้จะครบหนึ่งชั่วโมงปวดขาร่างกายหนักเหมือนหินพยายามบริกรรมตามที่พระอาจารย์เคยแนะนำแล้วแต่ต้องลืมตาและเปลี่ยนท่าครับและเมื่อออกจากการภาวนาจะปวดเข่ามากขอคําแนะนำเพื่อแก้ไขครับอ๋อที่เรานั่งต่อไปไม่ได้ก็เพราะว่ากาลังของส ต, ติมันหมดลง แล้วกําลังที่จะสร้างสติใหม่ขึ้นมาก็ไม่มีเราก็เลยทนตอบความเจ็บไม่ได้เราก็เลยต้องออกมาก่อนเแล้วออกมาร่างกายก็อาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติรอนั่งอยู่เฉยๆสักพักให้อาการมันหายไปแล้วค่อยลุกไปทําอะไรต่อไปได้ถ้ามันเป็นแบบไม่หายเป็นแบบหลายๆวันนี้ก็อาจจะต้องไปหาหมอดูถามว่าเป็นอะไรขึ้นมาคงยังไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นเหตุอย่างอื่นหรืออาจจะเป็นความเสื่อมของร่างกายก็ได้ะไม่ต้องกลัวว่านั่งสมาธิแล้วจะทําทให้เราพิกลพิการนะอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่นั่งแล้วอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างปวดบ้างหรือมันชาบ้างอาจจะต้องใช้เวลาให้มันผ่อนคลายอันนี้พอมันผ่อนคลายแล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกติ คำถามต่อไปจากคุณพักพินันมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะปล่อยปลาเขาเลยให้พี่สาวช่วยเป็นสะพานบุญในการปล่อยปลาให้ทุกวันอยากทราบว่าเขาได้บุญอะไรและคนที่ปล่อยที่เป็นสะพานบุญได้บุญไหมครับและเป็นบุญอะไรครับคือถ้าเขาเป็นคนจ่ายเงินซื้อปลาแล้วปล่อยเนี่ยบุญที่เกิดจากการเสียเงินนี่เป็นของคนที่เสียเงินไป แต่คนที่มาช่วยปล่อยบานให้เป็นคนเป็นคนช่วยช่วยทำงานให้ก็เป็นเหมือนเป็นจิตอาสาได้บุญคนละยางกันคำถามต่อไปจากคุณ w t ถ้าเราถือสินแปดไม่ครบสามารถบรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันได้ไหมครับถ้ามีสินห้าบริบูรณ์และกำลังพยายามปฏิบัติเพื่อละส ก, กายทิฏฐิครับ เธอสินแปดนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนในการฝึกสมาธิถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้ถึงแม้ว่าศินแปดเราจะไม่ครบก็ตามก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสิ่งที่เราต้องการก็คือให้จิตรวมเป็นสมาธิให้มีโอบเบกคาถ้ามีโอบเบคาแล้วเวลาไปพิจารณาทางปัญญาก็สามารถบรรลุธรรมได้คำถามต่อไปจากคุณบีเอไอคำว่าผวังกับ หลับต่างกันอย่างไรและพะวังเกิดขึ้นตอนไหนมีอาการอย่างไรครับพวังก็คือความสงบของจิตมีสองลักษณะแบบมีสติและแบบไม่มีสติแบบไม่มีสติเราก็เรียกว่าหลับไม่รู้เรื่องเลยเหมือนตอนที่เรานอนหลับเราไม่รู้ว่าเราหลับส่วนพวังสมาธินี่ความสงบนี้ที่มีสตินี้เราเรียกว่าสมาธิเรารู้ตัวว่าตอนนี้จิตเรานิ่งเฉยสงบมีความสุขสบาย อันนี้เป็นเป็นสมาธิผวังมีสองแบบผวังหลับกับผวังสมาธิผวังหลับก็ไม่มีสติผวังสมาธิจะมีสติรับรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากำลังเป็นอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณดีซ h a n n e l นั่งสมาธิไปได้เกือบชั่วโมงเริ่มเกิดเวทนาสักพักรู้สึกเหมือนตัวล อ, อยได้เบามาก แต่ก็ยังคงพุทโธต่อไปครับอาการแบบนี้เราไม่ควรสนใจใช่ไหมครับก็ให้อยู่กับพุทโธไปนดีที่สุดเพราะถ้าเราไปสนใจกับอาการเหล่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเราก็จะไม่มีสติพอที่จะนั่งต่อไปได้ถ้าอยากจะนั่งต่อไปให้ใจสงบต่อไปก็ให้อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปมันเป็นอนิจจังอนัตตา คำถามต่อไปจากคุณเมการที่เราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดอยากบรรลุธรรมแต่มีครอบครัวที่ต้องดูแลหนูเป็นลูกคนเดียวหากจะละทิ้งช่วงเวลาที่แม่ไม่สบายไปปฏิบัติก็รู้สึกผิดบางครั้งก่อนหน้านี้ก็อยากจะลองไปบวชชีเป็นเวลาสั้นๆแต่คนในบ้านก็มักจะป่วยและอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเกิดมาเป็นครอบครัวแคทอิ แต่เปลี่ยนศาสนาเองหากจะบวชชีต้องมีข้อปฏิบัติอะไรใหม่เจ้าคะขอหลวงพ่อชีแนะด้วยครับไม่มีละ่ะบวชชีก็คือการถือศีลแปดหรือถือศีลสิบถ้าไปอยู่วัดก็กปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดเขาไปเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนมาบวชก็ทางเราไม่มไม่ขัดข้องเรื่องศาสนาของเขาเพียงแต่ว่าขอให้เขาปฏิบัติตามข้อกาหนดข้อบังคับของเราก็แล้วกัน พุทธศาสนานตอนนี้มีชาวต่างชาติมามาบวชกันหลายจากหลายชาติหลายศาสนานด้วยกันแต่เมื่อมาบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันรักษาศีลเท่ากันปฏิบัติเหมือนกันคำ <c oughs> ถามหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมโอเคอยา okay. to speak close to the microphone so it's loud enough and here we're able I have another question about um, family and uh, and the people who surround us. I've been in the last few years living abroad and practicing the Dhamma, and that's been very helpful for me. And now I'm going back to France to my family, and I see that there are a lot of people in my family who do not follow five precepts, and that's fine. But I wonder if there are. If I should still try to keep some of them in my life, because I see that some—it's not that I want to change them, but I see that some of them have changed by themselves. But at the same time, I can see that being in c e r t an i environment with a lot of, you know, alcohol or drugs or a lot of violence—like how to make the choice between protecting one's own practice and also maybe being of help and support for our family. Well, you have to consider your practice first. As, as far as the other people, it depends on whether you are compatible with them or not. Let it develop naturally. If it's not compatible, then they will separate from you naturally. You don't have to make an effort to separate or to to stick together. Just let it happen naturally. Depend on the compatibility. If you don't drink, t h e they drink. They probably don't come and see you and ask you to go to drink with them, because you will have to. De Decline their invitation, so then eventually they'll find out that you and you and them are not compatible. So they don't they don't they don't come and see you anymore. But that's that's what you want is you want to practice more than anything else. Yes, indeed, I want to practice, but they, they do want to see me and invite me and ask me about Buddhism even, and that's why sometimes I find it difficult to to say no because I see maybe I can help them. Well, if they ask for Buddhism, you can talk about Buddhism, but if they ask you to drink, then you have to decline. a So, so you have to have a, you have to your own, you have to know where you stand, and try to remain in that that stand. Don't don't lose your your. Your ground to other people simply because you want to please them or make make friends with them. This is the wrong way of making friends. You can make friends without losing your precepts. Mm -hmm. If you have to lose your precepts, then it's better to lose friends. Okay. Thank you, Pandit. Alright. o m e have o n e question. จากคุณสุริยาคนที่เป็นลูกสามารถแนะนําพ่อแม่ให้เข้าหาธรรมะได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าพ่อแม่ถามหรือไม่ถามถ้าก็ถามเราก็แนะนําได้ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้มาถามเราแล้วเราไปแนะนําเขานี่มันเป็นความความไม่ไม่เหมาะสมเราเป็นผู้น้อยไม่ควรไปสอนผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่เขาอยากจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเรารู้แล้วก็บอกเขาได้ถ้าเขาถามเรา แต่ถ้าเขาไม่ถามเราอยู่ดีจะคอยไปบอกเขาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันไม่เหมาะสมคำถามหมดแล้วครับโอเคถ้าฉะนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนสบหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ